อุปาทานของโอปปาติกะนั้นเป็นอุปาทานที่หนาแน่นมากมิอาจที่จะยอมรับฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีมันสมองนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในเทศนากันที่4ข้อความตอนนี้ก็มีคนสงสัยกันมากโดยเฉพาะที่ท่านพูดว่า โอปปาติกะไม่มีมันสมองความจริงที่ท่านพูดเช่นนี้ท่านหมายถึงว่าไม่มีมันสมองแบบมนุษย์คือมันสมองของมนุษย์เป็นวัตถุที่หยาบรับอิทธิพลหรือสิ่งเร้าจากภายนอกได้ง่ายขอให้สังเกตว่าในเทศนาการที่หนึ่งท่านก็ได้พูดว่าโอปปาติกะทั้งหลายไม่มีร่างกายเป็นเครื่องแอบแฝง ซึ่งข้อความอันนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วในเทศนาการที่หนึ่งที่ว่าโอปปาติกะไม่มีร่างกายเป็นเครื่องแอบแฝงความจริงโอปปปาติกะทุกตนล้วนแต่มีรูปร่างมีตัวตนที่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาทิพย์และสามารถจะจับถูกต้องได้และรู้สึกได้เหมือนกับที่เราถูกต้องคนในโลกมนุษย์ทั้งที่ความจริงเป็นอย่างนี้แต่หลวงพ่อสมเด็จก็บอกว่า ไม่มีร่างกายเป็นเครื่องแอบแฝงในทํานองเดียวกับโอปปาติกะทุกตนมีมันสมองเพราะถ้าสมองไม่มีตาหูจมูกลิ้นและประสาทอื่นๆของโอปปาติกะจะมีไม่ได้แต่ในเมื่อโอปปาติกาทั้งหลายสามารถเห็นอะไรได้ได้ยินอะไรได้อย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าต้องมีมันสมองแต่ที่พูดว่าไม่มีนั้น หมายถึงไม่มีแบบมนุษย์ขอให้เปรียบเทียบอย่างนี้เมื่อเรานอนหลับแล้วฝันถ้ายังไม่ตื่นใครๆก็ยากที่จะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดหรือเปลี่ยนเรื่องราวในความฝันหรือไปเตือนให้รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเห็นอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องจริงคนนอนหลับที่ยังไม่ตื่นจะไม่มีทางรู้ได้เลย ในกรณีอย่างนี้ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับในเวลาตื่นไม่ว่าเรากำลังคิดอะไรเห็นอะไรก็สามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดได้ง่ายในเมื่อมีสิ่งเร้าซึ่งจะผ่านมาทางตาทั้งหูหรือทางไหนก็ตามความคิดที่กำลังมีอยู่ก็จะเปลี่ยนไปทันทีในเมื่อไปสนใจกับอารมณ์อย่างอื่น ชีวิตของพวกโอปปาติกะก็คล้ายกับชีวิตในความฝันและเป็นความฝันที่ยังไม่ตื่นฉะนั้นตลอดเวลาที่ยังไม่ได้จุติแปลว่ายังไม่ตื่นเมื่อความคิดของเขาดิ่งไปทางไหนก็จะเป็นไปในทางนั้นตลอดที่หลวงพ่อสมเด็จบอกว่าพวกโอปปาติกะทั้งหลายละอุปาทานได้ยากทำความดีได้ยากก็เพราะเหตุนี้ และในความหมายอย่างนี้แหละท่านจึงพูดว่าพวกโอปะปะติกะทั้งหลายไม่มีมันสมองเหมือนกับที่เราพูดว่าคนนี้ไม่มีหัวคิดไม่มีมันสมองในเมื่อคนที่เราพูดถึงนั้นเป็นคนโง่คิดอะไรไม่เป็นเรื่องง่ายๆก็คิดไม่ออก ที่จริงร่างกายของมนุษย์มีอวัยวะอย่างไรกายทิพย์ของพวกโอปปาติกะทั้งหลายก็มีอย่างนั้นเหมือนกับกายมนุษย์ทุกอย่างเพราะกายทิพย์คือแบบฉบับของกายเนื้อหรืออีกในหนึ่งกายเนื้อก็คือกายทิพย์ที่หยาบจึงมีรูปร่างปรากฏเห็นได้ชัดข้อที่แตกต่างกันมีอยู่เพียงว่าร่างกายของพวกโอปปปาติกะเป็นของทิพย์ ซึ่งหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากใจล้วนๆซึ่งเกิดง่ายเกิดได้รวดเร็วเวลาดับก็อันตรธานสูญหายไปเลยไม่มีซากเหลืออยู่เหมือนกับกายมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายมีตาพวกโอปปาติกะก็มีตาซึ่งสามารถเห็นอะไรได้เหมือนอย่างที่คนอื่นเห็นแต่ถึงกระนั้นตาของมนุษย์ก็ไม่เหมือนกับตาของโอปปาติกะ คือตามนุษย์เป็นตาเนื้อแต่ตาของโอปปปาติกะเป็นตาทิพ์โปรดเข้าใจให้ดีว่าเมื่อพูดว่าเป็นทิพ์ไม่ได้หมายความว่าจะวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หรือวิเศษไปเสียทุกอย่างคําว่าทิพ์มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากใจลว้นลวนๆและเปลี่ยนแปลงไปตามจิตได้ง่าย ถ้าเข้าใจหลักอย่างนี้แล้วก็คงจะเข้าใจที่หลวงพ่อพูดว่าพวกโอปปาติกะไม่มีมันสมองโอปปาติกะประเภทที่สามารถใช้เหตุผลได้หรือเปลี่ยนความคิดได้ง่ายนั้นพื้นเดิมเมื่อสมัยเป็นมนุษย์จะต้องเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร โดยไม่มีเหตุผลและถึงแม้สิ่งที่มีเหตุผลและถูกต้องก็ไม่ได้ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งเปลี่ยนไม่ได้ขอให้สังเกตว่าคนที่นับว่าฉลาดจริงๆนั้นเขาสามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ง่ายตามเหตุผลอันใหม่ในเมื่อเห็นว่าเหตุผลอันใหม่ถูกต้องกว่าดีกว่าหรือพูดอีกในหนึ่งว่าเขาพร้อมที่จะปล่อยวาง ในเมื่อเกิดความเข้าใจใหม่ว่าสิ่งที่เคยยึดถืออยู่นั้นผิดคนประเภทนี้เท่านั้นเวลาเกิดเป็นโอปปาติกะความคิดจึงจะไม่ดิ่งไปในทางใดทางหนึ่งจนกระทั่งถอนไม่ได้หรือกลับใจไม่ได้พวกที่มีชีวิตอยู่กับอารมณ์เปลี่ยนความคิดยากเปลี่ยนนิสัยยากทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ดีพวกเนี้เวลาไปเป็นโอปปาติกะ เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้ายิ่งอยู่เป็นโอปปาติกะนานก็ยิ่งเสียเวลามากเพราะแทนที่จะก้าวหน้าในทางจิตใจไปได้เร็วหรือดีขึ้นกว่าเดิมกลับตรงข้ามคือตลอดเวลาที่เป็นโอปปาติกะก็จะใช้แต่ทุนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นแม้จะอยู่ในภูมิที่มีโอกาสจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นได้ การเกิดเป็นโอปปาติกะสำหรับคนที่มีบุญแม้จะสบายกว่าการเป็นมนุษย์อย่างมากมายก็จริงแต่คนที่ต้องการความหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆนั้นเขากลับจะเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเหมือนกับคนบางคนที่มีเงินมากไม่ต้องทำมาหากินก็มีเงินเหลือใช้แต่แล้วก็ใช้ชีวิตไปแต่ในทางหาความสาราญต่างๆ ไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ทำประโยชน์อะไรให้แก่คนอื่นชีวิตอย่างเนี้ยบางคนก็พอใจและถือว่าชั้นมีบุญแต่สำหรับคนที่มีจิตใจสูงคิดก้าวหน้าอยู่เสมอและมีจิตเมตตากรุณาคิดจะทำประโยชน์ต่อผู้อื่นบุคคลประเภทนี้เขาจะเห็นว่าชีวิตสำราญเช่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายไร้สาระการศึกษาเรื่องโอปปาติกะ ต้องพยายามให้รู้ทั้งแง่ที่ดีและไม่ดีอย่าคิดว่าการเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ในสวรรค์จะมีดีแต่อย่างเดียว ท่านทั้งหลายจะทำความดีได้ก็ต่อเมื่อเป็นมนุษย์เท่านั้นในโลกของโอปปาติกะนั้นทำได้ยากมากเพราะนิสัยสันดานที่ติดไปจากโลกนี้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ไปสู่โลกของโอปปาติกะนั้นแล้วจะรู้สึกว่าอยากทำความดีขึ้นไปนั้นเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์จะต้องเป็นคนซึ่งอย่างน้อยได้ปฐมฌานถึงแม้ว่าไม่ได้ปฐมฌานชีวิตประจาวันของท่าน จะต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในเหตุผลมากที่สุดและกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นี่เป็นข้อความตอนสุดท้ายที่จะต้องอธิบายในเทศการที่4ี่ของหลวงพ่อสมเด็จอันที่จริงข้อความนี้ไม่ต้องอธิบายก็ได้เพราะมีความหมายแจ่มแจ้งอยู่แล้วและก็เคยอธิบายมาบ้างแล้ว แต่บางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นขออธิบายเพียงสั้นๆว่าคนที่ตกเป็นทาสของอารมณ์คือสุดแล้วแต่อารมณ์จะชักจูงไปไม่มีหลักที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตบังคับตัวเองให้ทำอะไรตามเหตุผลไม่ได้คนประเภทนี้เมื่อมีความรักใคร่พอใจในสิ่งใดก็จะหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์นั้นๆจนลืมสิ่งอื่นและถ้าลงว่าเกลียดอะไร ก็จะฝังใจปัดความเกลียดไม่ออกเขาก็จะคิดวนเวียนซ้ำซากอยู่กับเรื่องที่ก่อให้เกิดความเกลียดจงคิดดูบุคคลประเภทนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ยังเป็นอย่างนี้แล้วตายไปเป็นโอปปาติกะการตกเป็นทาตของอารมณ์จะเพิ่มขึ้นอีกสักกี่เท่าเพราะคนที่ตกเป็นทาตของอารมณ์นั้นทั้งๆ ท, ที่ยังเตืนอยู่ก็ยังเปลี่ยนความคิดได้ยาก และมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองคิดผิดเข้าใจผิดและเมื่อนอนหลับแล้วฝันเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดได้ยากเพิ่มขึ้นอีกกี่เท่าเพราะในขณะที่เขาหลับเขาจะไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าเขาคิดผิดหรือเข้าใจผิดอย่างไรคนเจ้าอารมณ์เมื่อตายไปเป็นโอปปาติกะก็เหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงทาความดีได้ยาก เว้นไว้แต่เมื่อตอนเป็นคนจะไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์จึงอยากจะทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะรู้สึกตัวว่าตัวเองยังบกพร่องในเรื่องอะไรอยู่บ้างอันหนึ่งขอให้สังเกตว่าคนที่เคยเข้าฌานได้ก็คือคนที่มีพื้นจิตใจ เคยเอาชนะอารมณ์ได้เด็ดขาดอย่างน้อยก็ชั่วระยะหนึ่งซึ่งในขณะที่อยู่ในฌานนั้นจิตใจจะเป็นอิสระเข้าใจความผิดความถูกได้ง่ายและว่องไวด้วยเพราะเหตุนี้เมื่อไปเป็นโอปปาติกะจึงทำความดีได้ง่ายเพราะเปลี่ยนจิตใจได้ง่ายสํานึกตัวได้ง่ายว่าอะไรผิดอะไรถูก